คนอื่นทำร้ายเราด้วยปากหรือมือไม้แค่สิบนาทีแต่เราทำร้ายตัวเองด้วยความคิดเสียสิบชั่วโมงเสียงใครต่อใครลอยลมผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนลมกระทบกระดิ่งลมหยุดพัดกระดิ่งก็หยุดดังแต่ใจมนุษย์ต่างจากกระดิ่งเมื่อสะเทือนแล้วมีการหมุนวนกลับมาสะเทือนเองได้อีก เพราะจิตทั่วไปประกอบด้วยาการคิดเข้าตัวสาคัญผิดนึกว่ามีตัวของตนเดิมๆต่างจากกระดิ่งที่ไม่มีจิตมีใจไม่มีความสาคัญผิดไม่ต้องลั่นเองไม่ต้องทุกเองการที่จิตมีความสาคัญผิดนี้ทางพุทธถือว่าจิตถูกห่อหุ้มไว้ด้วยโมหะเราะอแท้จริงก็คือแม้การได้ยินเสียงดาทอ เสียงสาบแช่งก็เป็นเพียงจิตได้ยินดวงหนึ่งดับไปแล้วก็เกิดจิตดวงอื่นมารับช่วงต่อคิดมากคิดวนและสำคัญว่าเป็นจิตดวงเดิมของตนดวงที่เคยได้ยินเสียงด่าทอเสียงสาบแช่งจิตที่ขุดเอาเสียงอัปมงคลของคนอื่นมาเล่นงานตัวเองซ้ำไปซ้ำมานั้นถือว่าเป็นจิตด่าตัวเองแล้วคนอื่นไม่ได้ดาแล้ว เลิกด่าไปแล้วหรือบางทีอาจตายลับดับชีพไปแล้วฟื้นคืนชีพกลับมาด่าไม่ได้แล้วด้วยซ้ำร้ายกว่านั้นบางทีคนอื่นด่าไว้อย่างแต่ตัวเองกลับสร้างคำด่าขึ้นอีกหลายอย่างหรืออยู่ดีไม่ว่าดีก็คอยคว้าหาเรื่องใหม่มาด่าตัวเองซ้ำไปซ้ำมาเหมือนมีเสียงกระซิบจากพูดพลายที่ค่อยๆก่อตัวรงังควานสมองจากแผ่วเป็นดังขึ้นทุกที จากเบาเป็นหนักขึ้นทุกวันเหมือนจะแกล้งให้อยู่ไม่เป็นสุขแกล้งให้ก้มหน้าซึมเศร้าเล่นงานคนได้พิสดารกว่าคำสาปแช่งไหนๆของใครอื่นเมื่อพิจารณาว่าจิตที่ได้ยินเสียงด่าดับไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานเกิดจิตที่คิดถึงเสียงด่าขึ้นมาแทนตอนนี้เป็นจิตคนละดวงกันและจิตที่คิดเองเออเองตอนนี้ ก็จะดับลงได้อย่างรวดเร็วเช่นกันเพียงหันเหสายตากลับมาเห็นภาพตรงหน้านั่นก็เป็นจิตเห็นภาพแล้วเพียงเงี่ยหูไปฟังเสียงรอบตัวนั่นก็เป็นจิตได้ยินเสียงแล้วเป็นจิตอีกดวงที่ต่างไปแล้วจากจิตคิดพิจารณาบ่อยๆเห็นความจริงที่แสดงตัวในแต่ละลมหายใจบ่อยๆในที่สุด ก็เกิดสติเลิกยึดจิตแต่ละดวงไว้เป็นตนแล้วเสียงสาบแช่งจากคนอื่นกับเสียงกระซิบด่าตัวเองในหัวก็จะค่อยๆมีความหมายน้อยลงจนกระทั่งไร้ความหมายหายไปจากการยึดของใจไปเองเป็นอิสระจากทุกขเพราะยึดผิดไปเอง